ขออานาจพระผู้เเจ้าอํานาจพระธรรมอำนาจประสงฆ์จนเปนบรรดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นที่เคยทํามาจนถึงขณะนี้ให้แก่าตทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาข้าพเจ้าให้แก่เจ้ากรรมนายเรนของข้าพเจ้า ขออำนาจข้าพเจ้าอำนาจการทำอำนาจประสงค์โยนบรรดาญุ่งของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาข้าพเจ้าให้เก่เจ้ากรรมนายเรนของข้าพเจ้าให้เก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเนของพ่อของแม่สามีภรรยา ลูกหลานหรือที่น้ อ, นนองผู้มีพระคุณเข้าตาประจาให้แก่ดูวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากอาบัติเจ้าที่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงินดีรับเอาบุญเข้าตาประจาวเลเถเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดคอยสมความปรารถนาด้วนนํานาจทางนี้ที่ตาประจาวได้ที่เทเลนี้ เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเชื่อ น, นุนข้าพเจ้าทำสิ่งใดก็ให้มีแต่ความร่าเริงมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรงเรืองให้มิ่มงขึ้นตายด้วยเธอข้าพเจ้าจะมันทาบุญแล้วก็ที่บุญจะให้เรื่อยๆตายแล้วก็ทางฟังจึงมาเป็นแใจให้ดุนะ เราเป็นใจให้เลยแต่เขายินยีรับเอาได้รับเอาเราเป็ใจให้พอใจให้พอเราประกาศในใจเราว่าพอเราให้บุญพวกนี้เขาจะรับบุญได้อันทีเรี๋ยวสื่อสารกันได้ด้วยจิตแต่เราคิดเอาบุญให้เขาก็รับรู้แล้วเขาก็รับบุญได้เดี๋ยนอกจากพวกนี้กำหนักหนัก กำหักมากหรือมันจะยากเราหรือเขารับกับเราไม่ได้หรือว่ากำหนักหนักกำมันกั้นไว้เขาก็จะไม่สนใจรับก็แล้วไปเราก็ให้พวกที่เขารับได้แล้วเราทำความรู้สึกสบายๆแล้วสังเกตดูซิในใจของเราเป็นยังกายเราเป็นือว่าเอาใจของเราเอาความรู้สึกของเรามาสัมผัสดูมาลับรู้ดูว่าใจเรามันรู้สึกสบายขึ้นไหม ร่างกายขอ a เราจิตใจขอ a เรามันสบายขึ้นไหมรู้กันยังไงต่อไปท่านจะละขานะญาสาววารมหาภูราปายภูเรนติสาขานางสีวลมวะดตัวสิ่งนเป็านัอิปัสสัสสิสิติตังตัสิตังตุ้งให้สสเมวัดสเมสสิสัสสิสุสังกัส ฉันโภคันนาโซยะอาเมติโอติระโสหิอาติสุ สุภะติปตานิขะตังปตายาสังตนะสุภะกะปิตสญาติพโมจาญาณสิโตเทตนะพุทธะตถาวาระบาลานจิติภูณามโนปิณังตุมเฮนิภญังปสังอนัตตา อาโอวัตโตสัตบังดาลังรักขันโ u สัมบเทวตาสามบาบุตอาหนุกอาเวนะสัตตาโทจิขวันุเตอาวัตโสัตบังดาลังรักขันสัมบเทวตา สวัสดิ์ธรรมนุภาเวนัสดาโสติปวนตุเตอาวตบังกาลังันสัมบเวะตาสัสดิสังขารุภาเวนัา